เพื่อมาบำเพ็ญปัตพุทธปฏิบัติธรรมเนื่องจากเป็นวันธรรมสวัสดิวันที่พระบรมศาสดาพระอรหันตงสามมาสามพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัทสีได้ปล่อยวางภารกิจการงานปล่อยวางการหาความสุขทางร่างกาย เพื่อให้เข้ามาทำภารกิจทางจิตใจเพื่อที่จะได้สร้างความสุขทางใจเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าร่างกายใจนี้ถาวรร่างกายไม่ถาวรความสุขทางร่างกายต้องมีวันอันสิ้นสุดเมื่อร่างกาย ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หาความสุขได้แต่ใจนี้ไม่มีวันสิ้นสุดสามารถสร้างความสุขให้แก่ผู้ที่รู้จักวิธีสร้างความสุขไปได้ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายหรือไม่ก็ตามถ้าหาความสุขทางร่างกาย เดียงทางเดียวเวลาร่างกายมีอันเป็นไปไม่สามารถหาความสุขได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ทรมานใจบางครั้งถึงอาจจะอยากฆ่าตัวตายเช่นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เช่นเป็นอมภพึ่งเป็นอมภาษ จะต้องให้ผู้อื่นคอยเลี้ยงดูคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเวลานั้นใจจะมีความคิดไม่ดีเนื่องจากมีความทุกข์ทรมานใจอยู่มากก็เลยจะคิดสั้นคิดทำร้ายร่างกายแต่การทำร้ายร่างกายก็ไม่ได้เป็นการทำร้ายความทุกข์ เพราะความทุกข์นี้เกิดขึ้นภายในใจถึงแม้ว่าร่างกายจะตายไปแล้วใจก็ยังทุกข์ทรมานอยู่เพราะใจยังต้องการหาความสุขอยู่ดังนั้นเพราะว่าใจไม่ได้หาความสุขผ่านทางใจโดยตรงนั่นเองเพราะไม่รู้จักวิธีไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติ พอถึงเวลาจะหาความสุขทางใจก็จะไม่สามารถหาได้นี่คือเหตุที่ทำให้พระบรมศาสดาของพวกเราจึงต้องทรงบัญญัติวันธรรมมาสวนะขึ้นมาเพื่อให้เราได้หยุดภารกิจการหาความสุขทางร่างกายหนึ่งวัน แล้วมาหาความสุขทางใจกันด้วยการมาทำทางด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาภาวนาทำใจให้สงบการภาวนาเพื่อทำใจให้สงบนี้จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้รับผ่านทางร่างกาย แต่ความสุขนี้เกิดจากการทำใจให้สงบการที่จะทำใจให้สงบนี้จำเป็นต้องละการหาความสุขทางร่างกายเพราะถ้ายัางต้องการหาความสุขทางร่างกายอยู่ก็จะไม่สามารถสร้างความสุขทางใจให้เกิดขึ้นได้ผู้ที่อยากจะหาความสงบ หาความสุขที่เกิดจากความสงบจึงจำเป็นต้องมีการาปฏิบัติในคขมะในคขมะแปลว่าการออกจากกามมุสุขคือต้องไม่หาความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายต้องสำรวมอินทรีย์คือตาจมูกตาหูตาจมูกดิ้นกาย ไม่ให้ไปดูไปฟังไปสัมผัสตามความอยากต่างๆเพราะจะทำให้ใจไม่สงบจะทำให้ไม่สามารถกล่องใจให้เข้าสู่ความสงบได้ผู้ที่อยากจะได้ความสงบความสุขทางใจจึงจำเป็นที่จะต้องละการฉันทะ คือละการละความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสผลิภัณฑ์เพราะถ้าไม่ละก็จะไม่สามารถที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ความสงบของใจนี้อยู่ข้างในใจแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้อยู่ข้างนอกใจถ้าเราหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็ต้องออกไปข้างนอกออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะพอออกไปข้างนอกใจก็จะไม่สงบใจก็จะวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวเรามีทั้งเหตุการณ์ที่ให้ความสุขกับเรา และมีเหตุการณ์ที่ให้ความทุกข์กับเราเรามีรูปเสียงกลิ่นรสผุพหะที่ให้ความสุขกับเราและมีรูปเสียงกลิ่นรสผุฏหะที่ให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เราต้องสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผุพหะที่ให้ความทุกข์มันก็ทำให้เราไม่สบายใจทุกทรมานใจดังนั้นถ้าเราอยากจะ ไม่มีความทุกข์ทรมานใจอยากมีแต่ความสุขเราต้องเข้าข้างในต้องดึงใจเข้าข้างไหนให้ได้เพราะวาความสุขความสงบของใจอยู่ภายในใจไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี่คือเหตุผลที่ผู้ที่บำเพ็ญสมถะภ า, าวนาวิปัสสนาภาวนา เพื่อให้เกิดความสงบเกิดความสุขทางใจจำเป็นจะต้องละกามาฉันทะละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดธพดด้วยการสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายที่ได้ทรงสอนให้สำรวมด้วยการรักษาสีนแปดการรักษาสีหานี้ยังไม่มีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกาย เพียงแต่ทาเป็ น, เ, ปนเพียงแต่เป็นกรอบเป็นรั้วกันไม่ให้ใจไปทำบาปไปทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อยู่เช่นศีลข้อสาก็เพียงแต่ให้ประพฤติไม่ให้ประพฤติผิดประเวณี คือถ้าอยากจะมีความสุขกับการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ทำให้ถูกประเพณีเช่นมีสามีมีภรรยาต้องไปสู่ข อ, อกันให้ถูกกิจลักษณะได้รับฉันทานุมัติจากบิดามารดาก่อนแล้วได้ทำพิธีประกาศให้สังคมรับรู้ว่านี่คือเป็นคู่รักคู่ครอบกัน อย่างนี้ก็หาความสุขแบบนี้ได้แต่ถ้าต้องการที่จะเข้าหาความสงบหาความสุขภายในใจก็จำเป็นจะต้องละการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ครองของตนก็ต้องละเว้นถ้าอยากจะให้ใจเข้าข้างใน ถ้าไม่ละเว้นใจก็จะออกข้างนอกออกหาคู่ครองหาคนรักแล้วก็จะไม่สงบความสุขที่ได้จากการร่วมหลับนอนกันก็เป็นความสุขชั่วขณะหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็จะเกิดความอยากขึ้นมาใหม่พอ เ, เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็จะทาลายความสุขที่ได้มา เราก็ต้องพยายามทำตามความอยากใหม่ถึงจะได้ความสุขเองดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องคอยหาความสุขจากภายนอกมาเติมอยู่เรื่อยเพราะบางทีบางเวลาก็หาได้บางทีบางเวลาก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้เวลานั้นก็จะยิ่งเกิดความทุกข์มากขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราเข้าข้างในได้ หาความสุขภายในใจได้เราจะสามารถหาได้ตลอดเวลาว่าความสุขภายในใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะหยุดความคิดของเราให้ได้เท่านั้นเองแล้วถ้าเราเคยหยุดได้แล้ว เราก็จะสามารถหยุดได้ไปทุกครั้งที่เราต้องการดังนั้นการการละเว้นจากการหาความสุขภายนอกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยากจะได้ความสุขภายในที่เราจะสามารถให้มีอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราร่างกายจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็นอรารมณเพิกอมามณ์พาจะตายไปในวันสองวันนี้ก็จะไม่เป็นปัญหากับการสร้างความสุขภายในใจเราสามารถมีความสุขได้ทุกขั้นตอนของร่างกายร่างกายแก่เราก็ยังมีความสุขใจได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังมีความสุขใจได้ร่างกายตายไปเราก็ยังมีความสุขใจได้ นี่แหละคือความวิเศษความประเสริฐของความสุขภายในใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้เราจึงควรที่จะเข้าข้างในกันการจะเข้าข้างในเราก็ต้องไม่ออกข้างนอกแทนที่จะเดินออกไปข้างนอกเราก็ต้องเดินเข้าข้างในเหมือนกับการเข้ามาในบ้าน ถ้าเราจะเข้าบ้านเราก็ต้องเดินเข้ามาในบ้านถึงจะเข้ามาในบ้านได้ถ้าเราเดินไป i i, ข้างนอกเราก็จะเข้าบ้านไม่ได้ฉันใดถ้าเราอยากจะเข้าหาความสุขภายในใจเราก็ต้องเข้ามาข้างในใจเราต้องไม่ออกไปข้างนอกใจเราต้องไม่ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏธพเนี่ยเราจึงต้องมาถือศีลแปดกัน สิ่งก็ข้อที่สมเราก็เปลี่ยนจากการไม่ากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองมาเปลี่ยนเป็นการไม่ร่วมหลับนอนกับใครทั้งนั้นแล้วก็เพิ่มศินข้อที่6คือเราจะต้องควบคุมการรับประทานอาหารของเราไม่ให้มากเกินไปให้รับประทานเท่าที่ร่างกายต้องการแต่จะไม่รับประทานแบบไม่มีขอไม่มีเขต รับประทานไปทางความอยากของใจเพราะถ้าเราไปทําแบบนี้ใจของเราก็จะไม่ยอมเข้าข้างในจะคิดแต่ถึงแต่ขนมนมเนยคิดถึงแต่เครื่องดื่มคิดถึงแต่อาหารต่างๆทงั้งๆที่แล้วร่างกายก็บอกว่าพอแล้วน้ำหนักก็มากแล้วแต่ใจไม่ยอมฟังความความจริงของร่างกาย แต่ถ้าเรามาถือศีลข้อหกนี้เราก็จะมีข้อเขตเพราะศีลข้อหกนี้จะห้ามไม่ให้เรารับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วดังนั้นถ้าเราต้องการรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้เราก็รับประทานในช่วงก่อนเที่ยงวัน<ม>ความจรงิงรับประทานเพียงครั้งเดียวรับประทานให้เต็มที่เลยรับประทานให้เต็มอิบเลยก็ อยู่ได้ไม่ตายรับรองได้เหมือนกับเติมน้ำมันเติมน้ำมันทีก็เติมให้มันเต็มถังไปเลยไม่ต้องมาเติมสองสามครั้งมันก็ปริมาณก็เท่ากันกินหนเดียวกับกินสองสามหนแต่แบ่งส่วนกินมันก็เท่ากันอยู่ดีดังนั้นเราจะกินให้มันพอกับความต้องการของร่างกายก็ กินให้มันเต็มท้องไปเลยให้มันแน่นท้องจนกินไม่ได้เลยแล้วก็หยุดกินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่กินจะดื่มแต่น้ําเปล่าหรือเครื่องดื่มที่พอที่จะอนุญาตให้ดื่มได้แต่ต้องไม่เป็นเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมเช่นพวกนมพวกอะไรต่างๆนี่ถือว่ายังเป็นอาหารอยู่ถ้าจะดื่มน้าก็ต้องดื่มพวก น้ำอัดรมหรือน้ำผลไม้อย่างนี้อนุญาตให้ดื่มได้แต่ถ้าจะให้ดีจริงๆก็อย่าไปดื่มเลยดื่มแต่น้ำเปล่าเปล่ า, ลานี่จะดีที่สุดเพราะถ้าไปดื่มเครื่องดื่มเครื่องอัดลมเดี๋ยวก็ติดกับรสชาติของเครื่องดื่มอีกก็ยังอยากจะดื่มโดยที่ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายร่างกายต้องการน้ำน้าสะอาดน้ำเปล่า ร่างกายไม่ต้องต้องการสีหรือกลิ่นหรือรสของงามนี่คือข้อที่หเป็นการสกัดการที่เราจะออกไปข้างนอกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณแล้วข้อที่เจ็ดก็เช่นเดียวกันใหเราหยุดการหาความสุขจากพวกบันเทิงมหัศศพต่างๆวันนี้จะไม่ดูละคร จะไม่ร้องลัมทำเพลงจะไม่ออกไปรับประทานงานเลี้ยงต่างๆไปงานเลี้ยงต่างๆจะไม่ออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆจะเก็บตัวอยู่กับวัดอยู่กับบ้านแล้วก็อยู่ที่บ้านก็ไม่เปิดทีวีดูไม่เปิดเพลงฟังจะเอาจะมานั่งสมาธิจะมาทำใจให้สงบถ้าเราไปดูละครดูทีวี เราก็จะไม่มีเวลามานั่งทำใจให้สงบกันเพราะใจยังออกไปข้างนอกอยู่ถ้าเราอยากจะให้ใจเข้าข้างในเราก็ต้องไม่ไม่ดูเ พ, พื่อมหรสพเครื่องบันเทิงต่างๆหรือรือเรื่องที่มีสาระเช่นข่าวสารต่างๆก็ไม่ต้องไปดูเพราะจะทำให้เสียเวลาต่อการปฏิบัติดูข่าวสารแล้วก็อาจจะทำให้จิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวได้ ทำให้ทำให้กับการจะทำใจให้สงบนี้ยากลำบากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องปิดตาปิดหูอย่าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วเราจะได้ดึงใจให้เข้าสู่ข้างในได้อีกข้อหนึ่งที่เราต้องรักษาก็คือข้อที่แปดคือเราต้องไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆที่ทำให้เราหลับมากเกินไปนอนมากเกินไป เราต้องการพักผ่อนหลับนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักเท่านั้นซึ่งปกติร่างกายนี้ถ้าได้นอนสักสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอเพียงแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่อยากลุกเราก็จะกลับไปนอนต่ออีกสาสี่ชั่วโมงแทนที่จะเอาเวลานี้มานั่งสมาธิก็จะไม่ได้นั่งแต่ถ้าเรานอนบนพื้นแข็ง ปูด้วยมาปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อเวลาร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเราก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ที่จะบําเพ็ญความสงบทางใจจำเป็นจะต้องรักษาศีลแปดเป็นอย่างน้อย ยังมีมากกว่านี้อีกบางท่านนี้ขนาดรับประทานวันละมื้อยังขี้เกียจยังง่วงนอนเวลานั่งสมาธิยังหลับบางท่านถึงกับจะต้องอดมื้อกินอดวันกินวันหรืออดเทีลยวสองสามวันแล้วค่อยมาค่อยมากินสักวันหนึ่งการอดอาหารนี่ก็จะช่วยทำให้ความง่วงเหงาหาวนอนนี้หายไป ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วนั่งสับปงกนั่งหลับเราก็ต้องแกว้วิธีหนึ่งก็แก้ด้วยการอดอาหารถ้าถูกเจริญถ้าไม่ถูกเจริตก็อดไม่ได้คนบางคนอดอาหารแล้วก็ใจยิ่งฟุ้งใหญ่ยิ่งคิดถึงแต่เรื่องอาหารจนไม่สามารถควบคุมใจให้สงบได้อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้วิธีนี้แก้ความม่วงได้ก็ จ, จะต้องใช้อีกวิธีหนึ่ง ก็คือต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวเช่นไปนั่งอยู่ในป่าช้าอย่างนี้พอมันมีอะไรน่ากลัวแล้วมันจะไม่ง่วงจะตื่นอยู่ตลอดเวลาจะนอนไม่หลับจะนั่งสมาธิได้ทั้งคืนเลยแต่คนที่จะไปอยู่ที่อย่างนั้นได้ก็ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งที่สามารถควบคุมความกลัวไว้ได้ถ้าควบคุมความกลัวไม่ได้ พอมืดปั๊บก็อยากจะกลับทันทีจะไม่กล้าอยู่เพราะจะเริ่มเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นผีเต็มไปหมดเลยก็จะทนอยู่ไม่ได้แต่คนที่มีจิตใจเข้มแข็งคนที่ยอมคนที่กล้าตายยอมตายก็จะอยู่ได้อย่างสบายหรือคนที่สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงผีต่างๆได้ผีก็จะไม่มาหลอก อันนี้ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่เข้มข้นมากขึ้นไปแต่ในเบื้องต้นนี้ขอให้เราเอาเพียงศีลแปลดที่ให้ได้ก่อนอย่ากินอาหารหลังจากเที่ยงวันให้ได้ก่อนแล้วก็อย่าไปหาอย่าไปดูอย่าไปฟังพวกมหารศพพวกบันเทิงต่างๆอย่าไปหลับนอนมากจนเกินไป นอนสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้วจะได้ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิและวิธีที่จะทำใจให้สงบได้ก็ต้องดึงใจด้วยเชือกใจนี้ถึงแม้ว่าจะมีมีข้อกล้อมมันไว้อยู่เช่นมีศีนนี่เป็นเหมือนข้อแต่ถ้าเราจะจับมันให้มานั่งอยู่นิ่งเฉยๆนี้เราต้องไปเอาเชือกเหมือนกับเราจับลิง ถ้าเราอยากจะจับลิงให้มานั่งเฉยๆเราต้องเอาเชือกไปจับไปมัดมันมาไปดึงมันมาแล้วมัดมันติดไว้กับเสามันถึงจะขยับเขยื่อนไม่ได้ถึงแม้เราจะมีคอกมีกรงลิงมันก็ยังวิ่งไปวิ่งมาในค้อในกรงได้อยู่มันก็จะไม่มันก็จะไม่อยู่นิ่งๆใจเราก็เป็นเหมือนลิงสีแปดที่เรามีอยู่นี่ก็เป็นเหมือนข้อที่เราจะ ล้อมันไว้ไม่ให้มันออกไปนอกขอบแต่มันก็ยังสามารถที่จะคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ได้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะไปดูมหาลศบไม่ได้ไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ได้มันก็ยังนั่งคิดได้อยู่งนั้นถ้าอยากจะหยุดความคิดเราต้องเอาเชือกมามัดมันอีกทีหนึง่งเชือกที่จะมัดจิตของเรานี้เราเรียกว่าสติสตินี้เป็นเหมือนเชือกถ้ามีสติเราจะมัด จิตของเรานี้มัดความคิดของเราให้หยุดคิดได้เช่นเราคิดเล่ยเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มาสวดมนต์แทนก็ได้การสวดมนต์นี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้หรือถ้าเราจะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้ได้ พอเราไม่คิดใจของเราก็จะว่างจะเย็นจะสงบนี่คือเราต้องใช้เชื่อมามัดใจให้ได้อย่าปล่อยให้คิดถ้าใจหยุดคิดเมื่อไหร่ใจก็จะสงบเมื่อนั้นเมื่อสงบแล้วเราก็สบายพอใจสงบแล้วเราก็ไม่ต้องท่องพุโทโธไม่ต้องสวดมนต์เพราะว่าเราได้บรรลุผลที่เราต้องการแล้วคือต้องการให้ใจนิ่งให้ใจสงบ ให้ใจมีความสุขพอเรามีความสุขแล้วเราก็สบายจะไม่หิวไม่อยากจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากดูจะไม่อยากจะฟังจะไม่อยากจะดื่มไม่อยากรับประทานอะไรนี่คือขั้นต้นของการทำใจให้สงบทำใจให้สงบด้วยการรักษาศีลแปดแล้วก็จเจริญสติอย่างต่อเนื่อง การเจริญสติเนั่นต้องเจริญตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอย่ามาเจริญตอนที่นั่งสมาธิอย่างเดียวจะไม่พอจะไม่มีกำลังต้องฝึกไว้ตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธไปเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ท่องพุทโธไปภายในใจถ้าเบื่อพุทโธก็ใช้บทสวดมนต์ไปก็ได้ท่องอรหังสัมมาสวารคตโตสุปฏิปันโนไป ก็สำคัญอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดถ้าเราทำงานเราต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเราก็คิดได้ตอนนั้นเราก็หยุดท่องพุโทโธหยุดสวดไปก่อนใช้ความคิดกับงานการที่เราต้องทำอยู่เมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็ไม่มีความคิดจะต้องคิดแล้วเราก็สังเกตดู ว, ว่าใจยังจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือเปล่า ถ้าคิดเราก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันทําอย่างนี้ไปทั้งวันพอเรามีเวลาว่างเราก็มานั่งหลับตาพอนั่งหลับตาแล้วท่องพุโทโธพุธโทโธไปถ้าใจไม่คิดอะไรเดี๋ยวมันก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็สบายไม่ต้องทําอะไรแต่มันจะสงบได้ไม่นานพอสักครู่หนึ่งมันก็จะถอนออกมา พอถอนออกมาถ้าเราไม่ควบคุมต่อมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานถ้าเราอยากจะกำจัดความอยากที่มาคอยบครบกวนความสงบของใจเรานี้ให้หายไปอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือต้องสอนใจว่า สิ่งต่างๆที่ใจเราอยากได้นี้ให้ความสุขเราเพียงเดียวๆแล้วก็จะให้ความฟุ้งซ่านความอยากเพิ่มขึ้นมาใหม่ไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรเวลาเราได้มาแล้วเราก็มีความสุขเดียวๆแล้วเดี๋ยวเราก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกอยากเรื่องเดียวกันนี่แหละเช่นคนอยากสูบบุหรี่พออยากจะสูบบุหรี่ใจก็วุ่นวายขึ้นมาก็ต้องสูบบุหรี่ พอสูบแล้วความวุ่นวายความวหงุดหงิดก็สงบตัวชั่วคราวแล้วไม่นานก็เกิดความอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปสูบใหม่สูบเท่าไหร่ก็จะไม่มีการที่จะหมดวิธีที่จะทำให้ความอยากสูบบุหรี่หมดก็คือต้องไม่สูบทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ต้องไม่ทาตามความอยากพอเราฝืนทมไม่ทาตามความอยาก ต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังไปแล้วหมดไปในที่สุดแต่การที่เราจะฝืนความอยากได้นี้เราต้องมีความสงบก่อนต้องมีสมาธิก่อนต้องออกมาจากสมาธิเราถึงจะมีกำลังต่อสู้กับความอยากได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธินี้เราสู้ไม่ไหวคนที่จะเลิกบุหรี่เลิอกอะไรนี้จะเลิกไม่ได้หรือเลิกได้ยากมาก ถ้าไม่มีสมาธิแต่ถ้านั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้แล้วเวลาปัญญาสอนใจให้เลิกความอยากนี้ใจจะเห็นโทษของความอยากแลวก็จะเลิกได้อย่างง่ายดายเพราะใจมีกำลังสมาธินี่แหละคือกำลังที่ใจจะใช้ต่อสู้กับความอยากต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีสมาธินี้ใจไม่มีกำลัง พออยากอะไรก็เป็นเหมือนเทียนถูกไฟอ่อนไปหมดต้องทำตามความอยากอย่างเดียวท่านั้นนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องเจริญทั้งสมาธิและปัญญาสมาธินี้ให้ความสงบหยุดความอยากได้ชั่วคราวแล้วก็จะสนับสนุนในการที่จะมาทำลายความอยากให้หมดไปได้อย่างถาวร ด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่างถาวรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเขาจากเราไปเวลาเรามีเขาอยู่เราก็มีความสุขแต่เวลาเขาจากเราไปแล้วเรายังมีความสุขได้หรือเปล่าเช่นเราสูญเสียคนที่เรารักไป เรา ย, ยังมีความสุขเหมือนกับตอนที่เขาอยู่กับเราได้หรือเปล่าเราย่อมไม่ได้เพราะว่าเราอาศัยเขาเป็นผู้ให้ความสุขกับเรานั่นเองพอเขาไม่อยู่แล้วเราก็ไม่รู้จะหาใครมาให้ความสุขกับเราตอนนั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์นี่คือความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนั่นเองไม่ถาวร ไม่เหมือนกับความสุขทางใจความสุขที่เกิดจากการละความอยากถ้าเราละความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือใจของพระพุทธเจา้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านได้ทำทานได้รักษาศีล ได้ภาวนาจนทำให้ท่านสามารถละความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็มีแต่ความสงบอยู่ตลอดเวลาเป็นความสงบที่ถาวรเป็นความสุขที่ถาวรและขณะนี้ใ จ, ออจใจของพระเจ้าใจของพระอรหันต์ก็ยังสงบยังมีความสุขอยู่ เหมือนตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เพราะใจนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนพวกเราพวกเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถึงจะมีความสุขได้พอไม่มีร่างกายหรือร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ไม่สามารถมีความสุขได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเอง วันนี้พวกเราได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจของเราโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วขอให้ท่านนำเอาที่สิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติเถิดแล้วท่านก็จะได้สิ่งเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ